ในโลกทิพกายอยู่ในอำนาจของจิตบางท่านอาจจะอยากทราบว่าการอธิษฐานจิตเพื่อให้กายไปปรากฏนาทิดใดที่หนึ่งได้โดยฉับพลันนั้นทำกันได้อย่างไรในเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องขอออกตัวว่าไม่สามารถให้คำอธิบายเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จริงๆแต่จะกล่าวได้บ้างก็ตามสำนวนชาวบ้านแบบกันเองว่า ในโลกที่หปือโลกแห่งจิตนั้นกายของเราอยู่ในอำนาจของจิตทุกประการดังนั้นเมื่อจิตต้องการหรือออกคำสั่งอย่างใดกายก็ต้องทาตามความต้องการหรือคำสั่งนั้นๆทุกประการแต่สำหรับโลกมนุษย์ท่านก็ยอมรู้อยู่ดีว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นได้เลยชาวโลกมนุษย์อาจจะนึกอยากให้ตนเองไปอยู่ที่ไหนอย่างเร่งรีบสักเพียงใดก็ตามร่างกายของเขาก็ต้องขยับเคยื่อนด้วย มีเช่นนั้นก็เป็นอันว่าไม่ต้องไปไหนกันและแม้เมื่อตกลงว่าจะเคลื่อนที่ร่างกายไปไหนแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นอีกมากมายหลายประการที่จะต้องคบคิดกว่าร่างกายของท่านจะถูกนำเคลื่อนที่ไปถึงปลายทางได้ดังความประสงค์ในที่สุดนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์แต่ในโลกทิพย์มีสภาวะที่แตกต่างกันมาก เราไม่มีกายเนื้อที่คอยถ่วงให้หนักอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราในโลกทิพย์สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้เพราะมีสภาวะเบาเท่าเทียมกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าจิตมีภาห n ะที่มีคุณสมบัติเสมอกันจึงทำให้เกิดผลได้ทันทีการคิดจึงถูกแปลออกไปเป็นการกระทำโดยฉับพลันโดยไม่ต้องผ่านทางสมองของกายเนื้อดังเช่นในโลกมนุษย์ มันสมองของเราไม่ได้มีสภาพดังเช่นมันสมองของท่านเพราะ อ, า ว, อวัยวะแขนขาและกล้ามเนื้อต่างๆของเราอยู่ใต้อำนาจของจิตใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคำสั่งของจิตใจส่วนที่เหลือนอกนั้นก็เป็นไปตามสภาพธรรมชาติของโลกทิพย์โดยเฉพาะแต่เราก็กระทำการบางอย่างโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันตัวอย่างเช่นเราหายใจทานองเดียวกันกันกบที่ท่านหายใจ หัวใจของเราก็เต้นในลักษณะเช่นเดียวกับการทำงานของหัวใจของท่านแต่เรามีหรือได้สิ่งที่ท่านไม่มีและไม่ได้เลยนั่นคือกล้ามเนื้อของ อ, องวัยวะแขนขาของเราอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของเราอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราเริ่มต้นเรียนวิทยาการหรือศิละป ะ, ะแขนงใดที่ต้องการให้กล้ามเนื้อทำงานไปตามคาสั่งของมันสมองด้ยเรียบร้อยเด็ดขาดแล้ว เราจะเรียนรู้หรือหาความจำนานกันได้อย่างรวดเร็วแทบไม่น่าเชื่อทีเดียวอันที่จริงถ้าจะกล่าวกันให้ถูกต้องอย่างแท้จริงแล้วข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะกล่าวว่ามันสมองหรือจิตใจบังคับกล้ามเนื้อเลยน่าจะเป็นไปในทรานองว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ปรับปรุงตนเองให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมเสมากกว่าสาหรับท่านอยู่ในโลกมนุษย์แต่ท่านต้องการจะเดิน ท่านก็ต้องออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนขาอันหนักของท่านไปตามพื้นดินในการนี้ท่านต้องออกกำลังต่อต้านความทวงของโลกทาให้การยกขาขึ้นต้องใช้แรงมากกว่าการปล่อยขาลงและเมื่อเดินไปนานๆเข้าท่านก็จะรู้สึกว่าขาของท่านเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นทุกทีแต่ในโลกทิพเราไม่มีพาระเช่นนั้นอันที่จริงก็มีความทวงอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของกฎนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งความ่วงนั้นหมดแต่เราผู้เป็นมนุษย์ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของความ่วงนี้เลยหรือถ้าจะกล่าวอีกประการหนึ่งก็คือจิตใจของเราสามารถจะยกตนเองให้อยู่เหนือกฎแห่งความ่วงนั้นเมื่อใดก็ได้และอันที่จริงเราก็อยู่เหนืออำนาจดังกล่าวนั้นตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่าสภาวะเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาของเราโดยทั่วไปสมมุติว่าเราจะเซหกล้มลงบ้างก็จะไม่มีอันตรายหรือเกิดความเจ็บปวดอย่างใดพราใจของเราจะไม่ยอมล้มไปตามและกายทิพของเราไม่สามารถจะได้รับอันตรายได้เลยไม่ว่าในกรณีใดๆแต่ถ้าจะกล่าวตามความจริงแล้วเราก็ไม่เคยหกล้มเลย เพราะร่างกายของเราไม่ได้หนักและอุยอายเหมือนร่างกายของมนุษย์แต่ก็มีเหมือนกันสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกที่ใหม่ๆผู้ซึ่งยังไม่คุ้นเคยต่อธรรมชาติของชีวิตใหม่ก็มักจะส่วนเซบ้างแต่เมื่อได้เข้าใจและปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็ไม่มีใครส่วนเซหรือหกล้มเลยเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคาตอบที่ยาวเกินไปบ้างต่อคาถามที่ว่า เราเคลื่อนไหวร่างกายหรือเดินทางกันอย่างไรแต่ในการตอบปัญหาเช่นนี้ถ้าต้องการ้คําอธิบายชาัดเจนบางครั้งก็จำเป็นต้องอธิบายท้าวความถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกันบ้างตามสมควรครขอกล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งว่าในโลกทิพนั้นเมื่อเราเริ่มคิดเช่นคิดจะเดินเป็นต้นความคิดจะถูกถ่ายทอดไปถึงอวัยวะเช่นขาเป็นต้น และอวัยวะนั้นๆจะเริ่มทํางานทันทีซึ่งจะทําให้ช้าหรือเร็วอย่างไรก็ได้สุดแล้วตาจิตใจจะบ่งการดังนั้นผู้ที่หัดดนตรีเช่นเปียนโนเป็นต้นจึงสามารถหัดได้อย่างรวดเร็วผิดกับการหัดในโลกมนุษย์มากเพราะในโลกมนุษย์นิ้วของท่านเป็นของหนักหรือเปรียบเหมือนเด็กดือ้อจึงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันนานมากกว่านิ้วของท่านจะยอมเคลื่อนไหวไปบนคีย์ได้รวดเร็ว ตาคสั่งงขอจจิใจเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงการหายใจของพวกเราชาวโลกทิพย์ไว้ครั้งหนึ่งในเรื่องนี้มีมิตรสหายในโลกมนุษย์หลายท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้นข้าพเจ้ายิานดีจะอธิบายให้ทราบจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองคือไม่ใช่จากหนังสือตำรายอย่างเดียวเพราะอันที่จริง เรามีหนังสือตำรับตำราเกี่ยวกับศิลปะและวิทยาทุกชนิดเป็นจำนวนมากมายแต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าต้องการจะอธิบายถึงสิ่งที่ตนได้ประสบและเข้าใจมาแล้วด้วยตนเองเท่านั้นคำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที่20 จากประโยคที่ว่าในโลกทิพย์เราไม่มีกายเนื้อที่คอย่วงให้หนักอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราในโลกทิพย์สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้เพราะมีสภาวะเบาเท่าเทียมกันดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าจิตมีพาหะที่มีคุณสมบัติเสมอกันจึงทำให้เกิดผลได้ทันทีความคิดได้ถูกแปลมาเป็นการกระทำโดยฉับพลันในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าร่างกายของพวกโอปะปะติกะเป็นร่างกายที่เกิดจากใจซึ่งภาษาบาลีเรียกว่ามโนมยรูปังแปลว่ารูปที่เกิดจากใจส่วนร่างกายของมนุษย์ถึงแม้จะเกิดจากวิญญาณเป็นปัจจัยแต่ก็ต้องมีพ่อแม่และมีธรรมชาติอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบด้วยถ้าขาดพ่อขาดแม่ขาดธรรมชาต เช่นดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นตน้นร่างกายของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ร่างกายของมนุษย์นอกจากจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางวิญญาณแล้วก็ยังต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุด้วยส่วนร่างกายของพวกโอปปาติกะไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุอย่างในโลกมนุษย์เพราะสามารถเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่โดยไม่ต้องอาศัยความเหมาะสมของธรรมชาติ เพราะเหตุที่ร่างกายอันนี้เป็นร่างกายที่เกิดจากวิบาของกรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างในร่างกายของโอปปาติกะจึงขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดอันหนึ่งร่างกายของพวกโอปปาติกะเนื่องจากเวลาเกิดก็เกิดโดยฉับพลันและเวลาตายร่างกายก็จะหายวับไปทันทีไม่มีซากเหลืออยู่เหมือนกับร่างกายมนุษย์เพราะเหตุนี้ เวลาโอปปาติกาจะไปไหนจึงสามารถหายตัวไปปรากฏในที่นั้นทันทีโดยใช้เวลาเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นและจะบังคับร่างกายให้เหาะหรือให้ลอยไปในอากาศก็ได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าในหนังสือโลกทิพย์ทั้งสามภาคจะไม่มีตอนใดที่กล่าวว่าพวกโอกปปาติกะมีปีก เหมือนกับความเชื่อถือของชาวตะวันตกในสมัยโบราณซึ่งเราจะเห็นว่าพวกเทวดานางฟ้าหรือทูตสวรรค์ตามรูปที่เขาเขียนไว้จะต้องมีปีกติดอยู่ด้วยเพราะเข้าใจว่าถ้าไม่มีปีกก็จะเหาะไม่ได้ส่วนในหนังสือโลกทิพย์ไม่มีกล่าวไว้เช่นนี้เลยและจากข้อความในหมายเหตุตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านโรเบิร์ตยูเบนสันได้เข้าใจสภาพของร่างกายในโลกของโอปปาติกะ ตรงตามที่ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้หมายเหตุข้อที่ยี่สอ็จากประโยคที่ว่าแต่เราก็ทําการบางอย่างโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันตัวอย่างเช่นเราหายใจทํานองเดียวกันกับที่ท่านหายใจหัวใจเรา ก็ตนในลักษณะเช่นเดียวกับการทำงานของหัวใจของท่านสำหรับหมาเหตุข้อนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นด้วยหรือที่ร่างกายของพวกโอปปาติกะจะต้องมีหัวใจและทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับหัวใจของร่างกายมนุษย์แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านนึกถึงข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนี้เองว่ากายทิพนั้น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 แต่ก็ต้องเรียกแก้กขัดไปก่อนเพราะยังไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อให้อย่างไรดีกว่านี้จากข้อความตอนนี้ท่านจะได้แนวความคิดว่ากายเนื้อกับกายทิพย์มีลักษณะอย่างเดียวกันจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่ากายเนื้อเป็นกายหยาบหรือเป็นปรากฏการของกายทิพย์ในรูปวัตถุส่วนกายทิพย์นั้นยังเป็นกายที่ยังอยู่ในรูปพลังงานแต่ไม่ใช่เป็นนามธรรมา แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากนมามธรรมคือจากวิบากของกรรมอย่างใกล้ชิดในทนํานองคล้ายๆกับเมื่อเราคิดจะสร้างบ้านรูปของบ้านที่จะสร้างก็จะปรากฏเป็นรูปร่างอยู่ภายในจิตใ จ, จก่อนครั้นแล้วจากรูปอันนั้นจึงก่อให้เกิดบ้านที่เป็นวัตถุขึ้นมาจริงๆข้าพเจ้าได้เคยให้แง่คิดไว้ว่าที่ว่ากายเนื้อมาจากกายทิพนั้น ขอให้พิจารณาดูการเกิดของต้นไม้ลองพยายามคิดในแง่นามธรรมดูบ้างถ้าหากเรามีความเข้าใจอยู่แล้วว่าต้นไม้ก็มีวิญญาณมเมล็ดผลไม้อันใดถ้าหากยังดีอยู่ไม่เนา่าไม่เสียไม่ตายก็แปลว่ายังมีวิญญาณอยู่ในมเมล็ดนั้นขอให้พิจารณาดูตามหลักของวิญญาณอย่าคิดแต่ในแง่ของวัตถุอย่างเดียวแล้วท่านก็จะรู้สภาพของต้นไม้ทั้งหมด ที่จะปรากฏออกมาเป็นอะไรนั้นได้มีอยู่แล้วในมเมล็ดนั้นแต่สภาพที่ว่านี้ไม่อาจที่จะมองเห็นแม้จะพาดูอย่างละเอียดแยกธาดดูอย่างถี่ถ้วนใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเหลือก็ไม่อาจที่จะทราบได้จะวาดภาพไม่ถูกว่ามเมล็ดอันนี้เมื่องอกงามขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรถ้าหากไม่เคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนแต่ตรงกันข้าม ผู้ที่ได้อภิญญาขั้นสูงจะสามารถเข้าสมาธิมองเห็นสภาพของต้นไม้ถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนที่มันจะงอกขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนก็ตามเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายไปแล้วในหมายเหตุข้อที่สิบห้าและสิบหกถ้าหากเราเข้าใจว่ากายเนื้อก็คือการแสดงออกของกายทิพย์ปัญหาที่ว่า การทิพย์จะมีปอดหรือไม่จะมีหัวใจหรือไม่ก็เป็นอันหมดไปคือจะไม่สงสัยเลยแต่จะแน่ใจว่ามันจะต้องมีแน่และชาวพุทธบางคนก็อาจจะคิดว่าหมายเหตุข้อนี้ไม่น่าเชื่อเพราะไม่มีหลักฐานทางพุทธศาสนากล่าวไว้แต่ความจริงสภาพของร่างกายในโลกของอปปปาติกาตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์นี้ในคำภีพระพุทธศาสนาก็ได้มีกล่าวไว้แล้ว เช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัตภาพใดซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ์การได้อัตภาพเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตภาพที่สำเร็จด้วยใจข้อความจากทีฆานิกายศิลขันทวักพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า ขอให้สังเกตคำว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนอันตภาพที่สำเร็จด้วยใจตามที่กล่าวไว้ในคำภีนี้ก็คือกายทิพย์หรือกายของพวกโอปปาติกาทั้งหลายแต่อย่างไรก็ดีบางคนอาจจะสงสัยว่าคำว่ามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนนั้นอาจจะหมายความแต่เพียงมีมือมีเท้ามีอวัยวะภายนอกครบถ้วนเหมือนกับกายมนุษย์ ส่วนอวัยวะภายในไม่น่าจะมีเพื่อเป็นการสนับสนุนถึงหลักฐานที่ว่ากายทิพย์มีอวัยวะครบถ้วนเท่ากับกายเนื้อจริงๆข้าพเจ้าจึงใคร้ที่จะขอให้ท่านนึกถึงเรื่องราวในพานบัรดิตสูตรจากมัชิมานิกายอุปริปันธาตพระไตปิฎกเล่มที่สิบสซึ่งมีกล่าวถึงว่าพวกสัตว์นรกก็มีลำไส้มีเลือดมีน้อง มีอุจระปัสสาวะมีอวัยวะภายในต่างๆไหลออกมาในเมื่อถูกนอนกัดกินอย่างนี้เป็นต้นและในหลักอภิธรรมเองก็มีกล่าวว่าภูโอปปาติกะมีขันห้าครบบริบูรณ์มีท่าสี่ฉะนั้นจึงไม่เป็นปัญหาที่ว่ากายทิพย์จะไม่มีอวัยวะครบถ้วนเหมือนกับกายเนื้อ